กค็คงในภาวนาต่อเ น, นื่องยอนะขึ้นเนาะให้เราให้เราใส่ใจกับสิ่งที่เราทำเนะาะานนนนนนะบางทีเราจะทำลองทำาห้มันต่อเนื่องบางทีการภาวนาในรูปแบบเราเพี่ยไปต้องมันอาจจะทำได้ซ้ำๆแต่ทำซ้ ำ, ำมันก็จะเห็นเหนอะไรที่มันที่ในชีวิตประจำวันมันจะไม่ค่อยเจอ เพราะว่าชีวิตประจาวันบางทีเราทำอะไรไม่ค่อยทะทําพอเบื่อก็เปลี่ย น, นพอไม่ชอบต้องทํานอาพอง่วงก็นอนพออยากก็สนองอะไรแนีแต่พอเรมาทําในรูปแบบทีอยากก็ไม่สนองง่วงก็ไมให้นอนน ะ, น ะ, แ, ะแต่การไปทำอย่างอื่นก็บอกตัวเองอย่าเพิ่งไปทำให้ทำในรูปแบมันก็เลยเหมือนพอเราทํานแบบมันมันจะตีกรอบไปเอกเล็กน่อย พอตีกอกมันจะเห็นบางอย่างที่มันกิเลสมันจะดิ้นรนนะมันจะดิ้นรนนะในการที่จะหาเหตุผลหาข้อขอ้างหรือว่ามาหลอกล่อให้ให้เราสนองเขาที่ถิ่นกิเลสเขาทำได้เพียงแค่ชวนนะชวนให้เหตุผลบ้างชวนด้วยนะขูข่ๆบ้างนะบางทีเราจะรู้สึกนะถ้าเราไม่ได้สนองกิเลสเราจะทุก แต่พอได้สนองกิเลสแล้วมันจะสุขใช่อืมมันจะส บ, บายนะแต่จริงมันเป็นความสุขชั่วคราวที่เขายื่นให้กับเราเนาะอืมันนั้นกิเลสก็ ม, มาหลายทางนะหน้าที่เราอ่เพียงแค่รู้ทันเขาว่าเขามาชวนเขามาอ้างเขามาลอ่อเขามาขู่เขามาแสดงความทุกข์ที่จรินแต่ให้เรามันคงไว้แล้วก็ดูมันดูสักพักหนะ้ากิเลสก็จะจากไป คล้ายๆเหมือนกับเราไปเที่ยวในที่ท่องเที่ยวดังๆเนาะมีคนมาเล่ขายของที่ระลึกมีคนนั้นชวนถ่ายรูปมีคนมาชวนไปใช้บริการตัวของเขาอย่างนะี้เราจะทำยังไงแต่จาต้องตามเขไปทุกที่หรือเปล่าอะไม่จำเป็นนะถ้าเราไม่ได้ต้องการที่จะทำมันจริงๆใช่ไหมเราก็แค่มุ่งมั่นไปในที่ที่เราจะไปทำนะในสี่งที่เราจะทำํำก็แค่นั้น กิเลสเขาเพียแค่ม า, มาชวนมาล่อเราแต่ถ้าเราไม่ตกเป็นเหยื่อเขานั่นแหละนะหรือผู้ที่มีสตินะนะแต่บางแต่บางทีเราจะเผลอไปบ้างนะก็ไม่เป็นไรก็กลับมาใหม่นะเขามาชวนให้เราไปดูสินค้าเราเผลอเดินไปตามเขาละพอรู้ทันก็เออือหลงเดินไปตามเขาละเออวันนี้เราว่าจะมีซื้อนี่นะก็ลกลับมาเองไหม หรือนอกเวลาเราปฏิบัติบางทีความเบื่อบ้างความง่วงบ้างความคิดภาพนะบางทีแม้แต่เหตุผลดีๆนะก็อยา่าเพิเชื่อมันนะให้เรากลับมารู้สึกตัวก่อนหลองพ่อของเขียนท่านท่านบอกไว้นะตอ น, น, นแรกมาก็ไม่เข้าใจบอกว่าไม่เอาเหตุไม่เอาผลไม่เอาถูกไม่เอาผิดเข้าใจไหม ดีครับที่ไม่เข้าใจถ้าเข้าใจไม่มาก็ไม่แน่ใจว่าอยู่อย่าเข้าใจจริงหรือเปล่าเพราะขนาดมาขนาดมาตบวดก็ อ, อยู่หลายเดือนแล้ว น, นะก็ยังรู้สึกยังแย้งในใจกับมันงพ่ออยู่ทำไมไม่เอาเหตุไม่เอาผลไม่เอาถูกไม่เอาผิดมันก็ไม่เข้าใจจริงๆแหละเพราะว่ามันมันขัดกับความความรู้สึก มีเหตุผลนะทางโลกก็มีเหตุมีผลเราก็ทําตามเหตุตามผลทางโลกก็มีการเอาถูกก็ผิดกันเนาะเอาแพ้เอาเช น, นะเธอเธอผิดชั้นถูกนะพอเรารู้สึกแบบนั้นเป็นไงแหมแกผิดกูถูกเลยนะรู้สึกยังไง อ, อยากจ ะ, ะก็ไปว่ากันเนาะมมันไม่ตามก็หายไปหม ก็อะไรเอาผิดเอาถูกกันนะอืหรือว่าเอาเหตุเอาผลบางทีก็มีหลายหลายอย่างนะที่บางทีเราก็มันถูกด้วยเหตุผลของเราเนาะอืมแต่บางทีเหตุผลไม่เหมือนกันนะใช่ไหมเหตุผลมันแตกต่างกันในแต่ละคนงทีเราเอาเหตุผลเป็นที่ตั้งก็จะไม่ได้เอาถูกผิดเป็นที่ตั้งก็ไม่ได้ลองดูว่าเอาความรู้สึตัวเป็นที่ตั้งนะ มันจะไม่ทุกนะลองดูแต่พูดตรงนี้ไม่ใช่ว่าให้เราไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ให้พูดตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราอืมไม่สนใจถูกผิดในทางศีนธรรมหรือกฎหมายไม่ใช่แบบนั้นนะอืมแต่จุดมุ่งหมายที่หลงพ่อท่านชี้คือสภาวะที่ที่เราไปยึดยึดมั่นเหตุผลเป็นตัวตนยึดมั่นถูกผิดแพ้ชนะชอบชังเป็นตัวตน อสังเกตถ้าเรายึดเมื่อนั้นก็ถุกเนาะแต่ถ้าเราไม่ยึดเรามีเหตุมีผลมีถูกมีผิดแต่พอมไม่ยึดเนี่ยมันจะสภาวะนะัฒนถึงไปถุกลองปฏิบัติดูเนาะอางที่เหตุผลอาจจะไมใ่ใช้กับคนอื่นบ่งกีเราก็ใช้กับตัวเราเอง น, ะะนี่แหละบางทีเหตุผลม่วงนานมากๆไปกินกะแปฟกันหน่อยน่าจะดีเีนะ่ยเหตุผลนะอ่าจะได้เลี่ยงไปนะ หรือวางทีเป็นบาดไม่เห็นไม่อะไรมือคงไม่ให้เจดิของเราแล้วแหละกลับดีกว่าอืมนี่เหตุผลนะถึงนะเพราะบางทีครูบาอาจารย์ก็บอกว่าปฏิบัติต้องเราทรําเจดิตนะที่เราทําแล้วสบายนะแต่บางทีเราเพิ่งทำวันเดียวนะครจีจะยังไม่เข้าใจก็ได้หรือบางคนอาจจะทําหลายวันนะบางทีก็มีวันวันดีบ้างวันไม่ดีบ้าง น, นะธรรมดานะอืม แม้เราชอบอะไรมากๆจริงๆนะแต่มาว่ามันก็ไม่ชอบทุกวันนะใช่ไหมขนาดลูกเราอ่ะรักไหมรักนะแล้วมีเกลียด บ, บ้างไหมอาจจะไม่เกลียดนะแต่โกรธเนาะโกรธเนาะใช่ไห ม, มขนาดโอ้ฟองมาจากใต้กันแท้ๆนะยังโกรธมันได้นะยังตีมันได้นับภาษาอะไรกับคนอื่นนะใช่ไหมตัว เ, เองก็เหมือนกันนะนั่นแหละบางทีครับ มีบ้างไม่ใช่ว่าไม่ใช่วปฏิบัติธรรมทุกอย่างต้องดีนะอืมแต่เรารู้มันอย่างที่มันเป็นลองสังเกต ด, ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของเราก็ดีนะรู้มอย่างที่มันเป็น อ, อ่ะเดี๋ปฏิบาาัติไปสักพักหนึ่งก่อนนะเนาะเดี๋ยวจะได้มีวินสือที่เป็นเป็นข้อคิดเป็นกาลังใจให้กับพวกเราได้ดูต่อเนาะทําให้มัน สนุกสนุกข้างในก็ได้โยมนะบางทีก็แบบทําเล่นๆหนุน่มป้ายเทียนหอกทาเล่นๆนะยกลมือเล่นนะๆจะเป็นแบบเคร่งเครียดจริงจังนะอมยิ้มบ้างก็ได้อืมจริงนะบางทีเราพอปฏิบททัติทำนี่เราจะเราจะทนนําเหมือนหน้า เ, าเหมือนหนะ้าแตกตายอะไรเนาะแต่ซึมซึมนะ่ะ ต้องดูพระพุทธรูปนะดูพรพักท่านเหมืนอนผมยิ้มน้อยๆ น, นะมีความสุขนะแล้วก็เห็นแบบบาง ก, ก็ได้นะในการวางหน้าในการวางท่าทีฮนะยกมือสบายๆมันเป็นจังหวะแต่อย่ให้มันเก่งแบบเหมือนคล้ายๆือไม่ใช่แบบเป๊ะๆเหมือนแบบเราเห็นทาหารเขาเดินหรือว่าหึือบางคนเคยเป็นทาหารนะ ไปเรียนราต่อแบบแบบจะ ต, ตัดจะอะไรมันเป็นธรามะเหมือนหุ่ยนยนต์มากกว่านะไม่ใช่เหมือนคนนะดังนั้นพุทธเจ้าท่านเพียงแค่บอกว่าเดินให้รู้สึกตัวกินให้รู้สึกตัวนะดการรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่เป็นจังหวะแบบแบบหุ่นยนต์ขนาดนั้นเนาะแต่กล่าว่าให้มันรู้ทิศว่าขนาด่ะตัดก็รู้ เคี้ยวก็รู้ตืนก็รู้นะเหมือนมันจะเป็นจังหวะของมันไปมันลงมาสืตรทอดแล้วก็ไม่ต้องไปตามดูในกระเพาะอะไรนะก็ตักดูง่ายมีนบางคนแบบพยายามตามรู้มากเกินไปนะไปดูละเอียดถึงแบบเหยียบไปต้องรู้สึกละเอียดถึงว่ามันนุ่มขนาดไหนมันเย็นขนาดไหนไม่ต้องขนาดนั้นนะไม่ต้องไปเอาความละเอียดขนาดนั้น ก็ตาหลวงพ่องเขียนต้บอกว่าไม่ต้องไปเอาลายละเอียดรู้ไปตุ้นตุ้นก้อนก้อนไม่ต้องเอาลายละเอียดรู้ไปเฉยเฉยธรรมดารู้ซึกๆไปแล้วก็าั่งสบายสบาย เราทำเหมือนเป็นอุบายเนะี่ยให้เป็นอ บ, บายเป็นซึ่องอยู่ให้เป็นเครื่องให้จิตมันเร้่มรู้นะรู้กายให้เป็นปัจจุบันเนี่ทำอไรแต่พอความคิดเกิขึ้นมาเลยับแล้วก็เห็นมันเห็นมันแล้วก็ไม่ตามมันนะเราก็ดูมันแล้วก็กลับมาดูกายใหม่ thực t h gì b á cái hiện m à